Book 2ูเก้าสิบสามนุ a นตัว a ดียวเท่าไรนุ่นตัวเดียวเท่า r รอันุประโยชน์ใช้เชื่อม t ฟ ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่นุเก t ีน่า i ส่มดนุเกตีน่าใสมดฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่นุเกตีน่าใส่แฝดนุเกตีน่าใสไอแฝดฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่นุเอดีนเมอเมร์นอทรนุเอดีนเมอเมร์นอทเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้นเมาชนนเมาชนเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ เนื่องจากเาอไม่สื่สาอสารกัาเขา เพ e ่อ n เวตเทนเนเ m อ n d ไ n เมนดอนโปรโ a ทดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมเพ e ่ e สเ e n เท s เนเธอ k'a คานูเที ย, สสยเตอร์สดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกสสเพ e ่อสเวตเทนเนเธอ n j e เพื่อสเวตเทนเนเซไอ้กุญแจ a ขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเนเซแม n ดอนเปิร์มัวเนเซไอ้แมนดอนเปเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าเนอค เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ n s e นฉันค t t ถึงเธอที n เ s e นั่นฉันไอ้คิดถึงฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ดูช่วย e ั่ m ฉันมดมันถึงเธอดูช่วย s e ่นฉ o นมดมันถึง t ธอ ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ด e ชอยเ m สเมชกรวนดูชอนสฉนฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ d ู s อยเนส e m อร์ o ทเฮตเมมัวดูชอย เขาจะชอบฉันจริงจ <anka> ังไหมนั <afternoon> ่นเสียเม t าเวอร์เทตเมโดน e ่นเสียเมเขาจะเขียนมาหาฉันไหมนั่นเ e t ยเมตาเวอร์เทตมัชครัวนั่นเสียเมตา k ว u ร์เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Nëse me të vërtetë martohet me mua? Nëse me të vërtetë martohet me mua?